แล้วก็จะได้ปรับชีวิตให้ถูกเนี่ยอะยังยกตัวอย่างเช่นที่เมื่อกี้ที่พูดใช้คําว่าเห็นคนที่เขาตัดถนนหรือเห็นคนที่เขาจะสร้างตึกสูงสูงเนี่ยเวลาเขาจะตั้งฉากเนี่ยนะยกตัวอย่างถ้าตัดถนนก่อนถ้าตัดถนนเนี่ยเวลาเขาตัดเนี่ยว่าหนึ่งเขาจะต้องให้ตรงจริงๆริงนะที่การตั้งหรือว่าเคลื่อนไม่ได้สมมติถ้าเคลื่อนหนึ่งกระเบียด นิดเดียวเงี้ยนะเคลื่อนนิดเดียวเน Clear ี่ยเราจะตัดถนนมาสุพรรณเนี่ยมันไม่ไปสุพรรณนะมันจะไปจังหวัดอื่นทันทีนี่มันไอทีละนิดละนิดละล็ดละนิดเนี่ยมันไปอีกที่เลยเหมือนกับยอดตึกที่สูงสักร้อยชั้นเนี่ยนะถ้าเราตั้งฉากเอียงนิดเดียวเท่านะคำว่านิดเดียวเนี่ยไปอย่างนี้เลยนะปลายสุดเนี่ยทีนี้ทิฐิที่เราตั้งเลยทีนี้ทิฐิที่เราตั้งเลย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 เขาคิดจนจนสอดคล้องกับพระธรรมของพุทธเจ้าเนะี่ยมันหายากเนอะให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆรเอะพระคิดปกิเพราะว่าเขาได้สอดคล้องดีก็เขาบอกเป็นสัมมาทิฏฐิดีไปดีเขาก็ได้เป็นอนันยั่งยืคนไปก็ได้กปกิคือคือตรงนีเ้เพราะว่าคนที่คิดให้ตรงในยุคนี้มีน้อยมาก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 ให้สังเกตดูไหมว่าเวลามีคนเห็นผิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะต้องเรียกมาสอบสวนมาให้ปรับวิธีคิดใหม่ทันทีเลยนะนะขนาดนั้นเลยเนะเพราะคนที่คิดไม่ตรงนะ่ะมันเยอะแล้วและเป็นเรื่องปกติของชาวโลกของคนที่จะอยู่ในวะะัฏักรอฉะนั้นไอ้วิธีคิดหลากหลายคนนั้นคิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนี้เป็นเรื่องปกตินปกติอย่าแปลกว่าเป็นอย่างนั้นจริง ถึงบอกว่าสัตว์จึงมากมายจริงๆจึงวิจิตพิสดารจริงๆไงนะอย่าแปลกใจเลยถ้าบอกว่าต้องดูตรงไหนยมรีต้องบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่วิจิตพราะอะไรวิจิตเพราะ่อใช่ไหมจิตวิจิตพราะอะไรวิจิตสัตว์ทั้งหลายที่วิจิตเพราะอะไรวิจิตเพราะกําเนิดวิจิตใช่ไหมกําเนิดวิจิตเพราะอะไรวิจิตการกระทําทางกายทางวาจาและทางจิตใจที่วิจิต กรรมที่ทำกระทาทางกายทางวาจาใจวิจิตพร่ออะไรวิจิตตัญหาแล้วยั้เพราะตัญหาไอ้ตัญหาวิจิตพ่ออะไรเพราะสัญญาใช่ไหมไอ้สัญญาวิจิตพร่ออะไรก็เพราะจิตเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นก็ไล่ไปตามลําดับอย่างนี้ลักษณะของวิจิตต่างๆเหล่านี้อะมาดูจุดตีจิตต่ออต่อไปดูวิถีที่สามเด้อเด้อเด้อ ในวิถีที่หนึ่งกับวิถีที่สองเนี่ยเป็นบุคคลหนะปุตุชนสียยาผลเบื้องต่ำสองนแล้วก็ส่วนภูมิก็คือกามภูมิส1บอดนะน่ส่วนวิถีที่สท่านใส่เป็นกาเมาเบกขาภวังหรูปภวังห้าอันนี้ไม่มีไม่มีตถา ร, รัมบนะน วิธีอธิบายก็ในยะเดียวกันพวังอดีแต่พระวังพระวังกเจรณาพระวังคู่ปเปชีธาปัญจทวารรถชนะปัญจวิญญาณีก่าวควบจริงๆท่านในรูปพวังไม่มีปัญจวิญญาณครบหรอกก็มีจักคุญญาณกโสตวิญ ญ, ญาณมีสี่ดวงนัก็แยกแยะ ก, ยกันไปสัมปฏิชนะสองสันตีสมวอดทะพนากามชาวนะ20ก็คืออากุศลชาวนะ12บมาากุศลชาวนะ8 ก็ลงจุติจิตเลยแล้วก็ปฏิสนธิทันทีเลยจริงๆตรงนี้ท่านกล่าวไว้โดยฐานะแห่งการที่ผวังผวังที่เกิดสืบต่อปฏิสนธิเป็นต้นไปนะั้นมีอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันก็ได้เนะเพราะอารมณ์ยังเหลืออยู่ใช่ไหมตัตถะธรรมะเอาไปกรรมาอารมณ์กรรมนิมิตมองหมหรือคตินิมิมอมอตมอย่างใดอย่างหนึ่งยังเหลืออยู่ไหม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 ต่อไปยังสามารถตรับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันได้อัศจรรย์มากเลยตรงเนี้นเพราะอัตติสุทีอันนี้ไม่ใช่อารมณ์เดียวกับจิตตอนนี้ไม่ใช่มีอารมณ์ในชาวนะวนะอารมณ์เดียวกับปฏิสนทิที่สองเป็นปฏิสุทิในพบใหม่มีอารมณ์ที่เป็นกรรมมานิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ที่ในมรณาสันนัชาวนะนั่นแหละนะในมรณาสันนัชาวนะนั่นแหละเป็นอารมณ์ ฉะนั้นปฏิสสนที่จิตในภพถัดไปพะวังสองขณะในภพถัดไปจึงมีปัจจุบันกรรมานิมิตหรือคตินิมิตนั่นแหละเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์แล้วก็ดับไปมีอะไรเป็นอารมณ์เดียะฉะนั้นบุคคลสี่ไอ้บุคคลหเนี่ยนะปุถุชนสี่ทุกติอายะทุกขบุคคลสุกติอายะทุกขบุคคลตอยทุกขะุถุชนต้นเนี่ยนะ แล้วก็ผลเศกขาบุคคลสองเนี่ยนะในภูมิยี่สิบเอดกามะภูมิสิบเอดรูปประภูมิสิบเว้นสุดทาวาสภูมิห้าเเว้นสุดทาวาสภูมิห้าปเนี่ยก็เกิดในลักษณะเช่นนี้เขาก็จะมีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะที่สุดจริงๆก็คือว่าพิจารณาดูอย่างนี้ก็คือว่าถ้าถ้ากลุ่มผ้าเยะบุคคลเบื้องต่ำสองโสดาสกาทาท่านก็ไปดีแล้ว กลุมไม่ต้องเป็นห่วงอีกสี่บุคคลยังน่าเป็นห่วงตติเหตุกับปุตุชนก็ยังหายใจโล่งๆอยู่พักทวิเหตุกับบุคคลชักยำแย่แล้วนะเน่ๆชีวิตเนะี่ยก็ดูตรงนั้นนี่เห็นนะทีนี้ต่อมาเป็นวิถีที่สี่วิถีที่สี่ก็พวังสิบเอ็ดเหมือนกันกามอุเบกขาผวังหกรูปผวังห้า ปัญจทาาวาราวชนะทวิปัญจาวิญญาณจิตสสัมปติชนะสองสันติสัมโภตทปนาการมาชานะยี่สิบเหมือนเดิมลงพวังสิอไปก่อนก็แปลว่าจุติจิตยังไม่เกิดเพราะอะไรเพราะกรร ม, มชรูปยังไม่ดับเป็นครั้งสุดท้ายเห็นไหมถ้ายังไม่ดับเป็นครั้งสุดท้ายถึงเวลาใดก็จะต้องไปยืดยาวตามสภาพของนั้นๆไป อันนี้ผวังสามขณะก็แปลว่าพอขึ้นผวังดวงที่สี่แปลว่ากรรมวัชรูปหมดใกล้ใช่ไหมใกล้จะหมดอยู่แล้วอุปาทคณะเหลือเท่าไรเนะี่ยเหลือยี่บสี่ใช่ไหมเหลือเท่าไรอุปาทขณาของจุติจิตเหลือยี่สิบสี่พังคขณะทิฏฐิขณาของจุติจิตเหลือสิบหกส่วนพังคขณะของจุติจิตก็แปดดับลงตรงเนี้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 มาแยกตามประเภทไปตามประเภทที่แยกในวิถีแรกที่แยกออกมานะั่นนะนะอันนั้นแยกให้ดูว่าที่ไม่มีอตีแต่ผวังคือถ้าไม่มีอตีแต่ผวังเนี่ยเขาแปลว่าเขาไม่ได้รับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมก็ดูในอันแรกที่แยกไปดูในที่ไม่มีอตีแต่ผวังก่อนนะก็มีการเ ม, มื่อผวางสิบทะ ม, มโนทวานนะเนี่ยนะทํามโนทวานนะเมื่อกี้ทางปัญญาทวานใช่ไหม มีทางมโนทวารเอาไปดูทางมโนทวารเป็นมรณาสันวิถีเนี่ยนะเอาผวังผวังก็จะช น, นะผวงังคู่เปรเจถ้ามโนทวารละชนะมโนทวารละชนะชาวนะห้าขนาตัฐารัมณสองตัฐารัมณสองแล้วนะ ม, ววนะมีไม่ตัฐาสองขนาดแล้วก็ปฏิสนที่ต่อเลยอจุติจิตต่อเลยอันนี้เป็นปัจจุบันหรือเปล่าลมไม่ใช่นะ แต่ทางมโนทวาร น, นืประเภทที่การมาพวังสิบจุติและปฏิสนธิในการมาพวังสิบเหมือนกันในการมาภูมิสิบเอนั่นแหละสัตติคืออยู่ในภูมิสิบเอ็น่นเป็นพวกไหนบุตรชนบุคคล6กจำพวกปู่สีอริยบุคคลเบื้องต่ำสองในการมาภูมิสิบอนั่นเลยส่วนวิถีที่สองก็เป็นประเภทที่ตถาําน้าแล้วก็ผวางแล้วก็จุตินะ ตรงนี้ก็พยายามเขียนแยกแยะให้ถูกก็แล้วกันนี่ทางมโนทวารและวิธีถ้าถามถึงอารมณ์เนอะผวังหน้าและผวังหลังเป็นกามะวังสิบใช่ไหมชาวนาเป็นกามกามชาวนะกามชาวนะจริงๆแล้วต้องเว้นอุทธจารเจตนาด้วยนะโดยหลักการจริงๆถ้าเขียนวิธีนี้ขึ้นมานี่ก็ไม่ได้เว้นใช่ไหมเนี่ยต้องเว้นอุทธจารเจตนาเป็นหนึ่งด้วย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 หลักอธิบายือก็ต้องอธิบายให้ละเอียดตรงนั้นนะทีนี้มโนวทวารลวิถีรับเอาอารมณ์ที่เป็นไปในการทั้งสามคืออดีตอนาคตและกัปัจจุบันอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์แม้ปฏิสนธิจิตและภวังค์แล ะ, ะจิตที่เกิดขึ้นในพบใหม่ก็รับอารมณ์ที่มรณาสนะจิตเนี่ยนะมรณาสนะวิถีจิตในพบเก่ารับเอาไปเป็นอารมณ์นั่นะแหละมาเป็นอารมณ์ทีนี้นิมิตเนี่นะนิมิตอารมณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับภวังคนะ์กจารณะ แล้วก็ที่เป็นรูปอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในพระวังกเจรณาแล้วก็ดับลงอเนะี้ยหลังปฏิสนทิจิตในพบใหม่ถ้าเป็นอดีตรหรือเป็นอนาคตเนียก็มีก็ไม่มีการวินิจฉัยปฏิสนทิจิตที่ในกามภูมิก็รับอารมณ์6ที่เกี่ยวกันกันกบกามภูมิเป็นอารมณ์ใช่ไหแต่ปฏิสนทิในพบใหม่ที่เป็นกามปฏิสนธิ10ดวงเหมือนกัน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 จริงๆ ถ, ถ้าอารมณ์ประเภทนี้เขาจัดไว้ส า, สามเลยนะโดยถ้าวิถีธรรมดาใช่ไหมรับปัจจุบันรับอดีตอนาคตปัจจุบันเลยแหละใช่ไหมใช่เวลาเราเราเรียนกันมาแต่ละทีก็ต้องพูดอย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องใช้สำนวนนี้แหละเว้นอนาคตไปใช่ไหมคือบางบางหลักฐานบางแห่งเน่ยเขาเอาอันนะที่เป็นไปในการทั้งสามท่านใช้คำว่าอย่างนั้ที่เป็นไปในการทั้งสาม ในวิถีที่เมีย ม, มีอติเต่พ ว, วัง okay, okay. ทีนี้ในวิถีเนี่ยนะในวิถีลักษณะอย่างนี้ก็ก็สังเกตไปตามนั้นทีนี้ต่อมาในวิถีที่ที่สองที่สองก็คือตาทาพระวังแล้วก็จติในยะการอธิบายไม่ต่างกันส่วนวิถีที่สาม ก็เป็นประเภทไอ้ชาวนะจุตินะกับชาวนาผวังจุติแต่ว่าเพิ่มไม่เพิ่มเพิ่มเป็นสิบห้าผวังผวังสิบห้าคืออะไรผวังสิบห้าคือไม่ใช่เว้นเว้นการผสมมนัสเสียไปเว้นการผสมมนัสเสียไปคือเป็นลักษณะวิถีอย่างนี้นะ ก็มีอุเบกขาสันตีสองหมายบากอุเบกขาสี่เป็นหกแล้วใช่ั้มแล้วก็รูปวิบากห้าเป็นแปดเออเป็นเป็นเก้าอารปวิบากสี่เป็นสิบห้าพอดีนะใช่ไหมถูกต้องแล้ ว, วก็ถูกแล้วเป็นสิบห้าเว้นกามาสมนัฏภวงังศรีออกไปขึ้นกามชานะยี่สิบกามชานะยี่สิบ จติจิตเกิดได้พะวงสิบเก้าเลยพวกนี้ปฏิสนธิด้วยกามอุเบกขาไงนะปฏิที่ด้ดยพวกกลุ่มอุเบกขานั่นเลยไม่ได้ปฏิที่โดยสมนัตถ้าสมานัสก็ต้องมาจัดเป็นพิเศษไงในมรณาสันนิวีพิเศษนะเห็นไหมกลุ่มนี้สมนัตทำไมเป็นสมนัต อ, อ่าพอดูตรงนั้นแล้วก็ดูเทียบนี้เลย ดูวิธีที่สี่ก่อนนะพอมาวิธีที่สี่ใส่พระวังสิบเก้าพระวังสิบเก้ามโนหนึ่งกามชาวนายี่สิบลงพระวังสิบเก้าจุติเจ็ดสิบเก้าไปปฏิสนที่ี่สิบเก้าได้บุคคลเจ็ดนะทั้งสองวิธีเนะี่ยปุตุชนสี่พ้นเสกข่าบุคคลสามภูมิยี่บเก้าภูมินะกามาภูมิสิบเอกรู ป, ปรภูมิสิบี่เว้นสัญญาแล้วก็อารู ป, ปรภูมิสี่นะ เป็นภูมิยี่สิบเก้าอันนั้นก็เป็นไปตามภพภูมินั้นในวิถีจิตทั้งสี่ประเภทนี้มีอารมณ์หกที่เรียกว่ากรร ม, มอารมณ์กรรม น, นิิตทอารมณ์คตินามิตรอารมณ์อันเป็นตัวกรรมหรืออารมณ์ที่เกี่ยวกับกรรมซึ่งได้เคยกระทาไว้แล้วในภพนี้หรือภพอก่อนๆ น, นั้นเป็นอารมณ์แล้วท่านก็นมาแยกมรณาสนพิวิถีพิเศษออกมาอันนี้เป็นพวกกามติเหตุตุกขะพวงังศรีนะกรมติเหตุตุกขะพวงังศรี นีกลุ่มเหล่านี้กลุ่มเตเหะถูกบุรุชนเนะมหากุศล8แล้วก็ลงผวางสี่แล้วจุติดจิตตรงนี้เป็นอะไรชีวิตแต่สม่าสีสีเป็นตเหตหะถูุกบุรุชนกามสุกติภูมิเนะอารมณ์เป็นบัญญัติกรรมนิมิตอารมณ์เนื่องโดยกรรมฐานสิบสองกสิอานาปณะแล้วก็อุเบกขาพรหมวิหารจุติดจิตแล้วไปไหน ไปไหนปฏิสนทธิไปไหนฮะชีวิตตะนาวกากราบทำปฏิสนทธิในอสัญญาสัตตภูมเนี่ยกลุ่มนี่อสัญญาสัตตภูมเนี่ยเนี่ยเอาก่อนตายก่อนตายนั่นดีเลยดรนดูวิถีประเภทที่สี่ในหน้าร้อยสาสิบเนี่ยเนี่ยเมื่อว่าโดยบุคคลเป็นต้นในวัตถุเป็นต้นนั้นก็เหมือนกันนะนะเออเหมือนกันนั่นแหละ ี่ตามจำนวนในมรณาสันนวิถีพิเศษเป็นวิถีที่รวมอยู่ในมโนทวามรณาสันนวิถีนะประเภทที่3หรือที่4นั่นเองแต่หลังจากจุติจิต ด, ดับลงแล้วปฏิสนธิด้รูปคือชีวิตตานวกกับกราบในในในสัญญาสัต ภ, ภูมิเท่านั้นในสัตว์เหล่านี้นี่นะเขาเรียกว่าพวกเจริญปัญจมชานนั่นเองประเภทจาแนกฌานออกไปตามลาดับ ไอ้ตรงนี้ใช้คําว่าเขาเจริญอะไรสัญญาเวลาฆ่าภาวนาเจริญสัญญาเวลาภาภาวนาเนี่ยนะเจริญฌานอันนั่นเองที่คล้ายกับยินดีในสัญญาคล้ายกับยินดีในสัญญาเนี่เจริญปัญจมชฌา น, นั้นคล้ายกับความยินดีในสัญญาที่เกี่ยวกับพวกกระสินเป็ตนต้นเนี่ยนะกรอบด้วยความต้องการพบที่ไม่มีจิตเพราะเห็นโทษในจิตว่า เมื่อจิตมีอยู่ความกำหนัดความโกรธแล้วก็ความหลงก็ยอมเกิดขึ้นแต่เมื่อไม่มีจิตก็จะได้บรรลุถึงความดับในปัจจุบันนพบใช่เขามีความเห็นลักษณะอย่างนี้กลุ่มที่ว่าจะไปเจริญสัญญาววลาภาพวนาเนี่ยนะเขาเห็นเขาบอกเขาวุ่นวายมากการมีนามธรรมการมีจิตเนี่ยทำไมจึงวุ่นวายล่ะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจิตมีความกำหนัดมีไห ม, มจิตมีความโกรธมีไห ม, มจิตมีความหลงก็มีเนี่ยการคิดในลักษณะอย่างนี้บอกโอ๊ยไม่ได้เลย ถ, ถ้าไม่มีจิตนะ่ตนแต่ลก็ไม่เกิดใช่แต่ใครมาตีมาทุทุบคาเบทนาก็ไม่เกิดก็ดีอย่างเนี้ยถ้าไม่มีจิตทุกอย่างนะแล้วก็ไม่มีเด็กจะสิบปรุงแต่งจิตกี่เดือพอพ ใช่วิธีคิดของเขาเขาคิดอย่างนี้นะใช่แต่เราอย่าไปชอบเนี่ยในลักษณะเช่นนี้เนี่ยทีนี้พอไม่มีความกําหนัดไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีจิตเราก็จะได้บรรลุถึงความดับในปัจจุบันภพทันทีคือจะได้ดับ จริงๆก็คือการสแสวงหานิพพานของกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะ<ช>เพราะนิแสวงหานิพพานสแสวงหาความดับทีนี้อสัญญาสัตตาเนี่ยไปอุบัติเกิดในหมู่ของพรมชั้นอสัญญาสัตว์เนี่ยนะย่อมอุบัติในหมู่พรมชั้นอสัญญาสัตว์ด้วยอริยาบทที่เสียชีวิตในมนุษย์โลกนี้ถามว่าคุณอยู่ในอียาบทไหนถ้าอยู่ในอียาบทยืนคุณก็ไปอยู่ในอียาบทยืน ถ้าอยู่ในอียาบทนั่งนอนคุณก็ไปอยู่ในอียาบทนั่งหรือนอนนะหรือบางทีกําลังเก้าไปเก้าเนะี่ยก็อยู่ในอย่างนั้นเนะ่ยสันฐานเป็นยังไงก็แล้วแต่กรรมคือลูกก้ามสันฐานพ่อเขามีแต่ลูกไอ้ตรงนั้นก็เหมยตรงนี้ก็ยังยั ง, ย, งยังหาสันฐานไม่เจอแต่ก็เป็นการกล่าวอันนั้นก็เป็นสมนวนนะนะเป็นสมนวน ล, ลงมาอีกทีถามว่าพวกนี้เนี่ย เป็นพวกเขาเป็นนักบวชนะประเภทนักบวชที่ทํากรรมดีที่ควรทํากรรมดีแล้วเป็นนักบวชที่มีความเห็นว่าไม่ควรทํากรรมดีย่อมจะไม่เจริญชาก็แปลว่าคือเขาไม่เห็นการทํากรรมดีที่จะมีนามเขาปฏิเสธว่าถ้าทากรรมดีที่จะไปมีขันห้าทากรรมดีเพื่อจะไปมีขันสี่ไม่เห็น ไม่ชอบวิธีแบบนั้นม <า S 1> ไม่ยินดีวิธีไม่ยินดีข้อปฏิบัติเช่นนั้นเนีน่ยก็เจริญฌานจนได้รูปปัญจมัชฌานก็ไปไปสายกสินเป็นต้นเนี่ยเป็นสายไปสายกระสินบ้างไปสายอาณาปณนะบ้างนีกลุ่มที่ให้ถึงอาณาปณนะให้ถึงปัญจมชฌานก็แล้วกัน พราะเอาปัญจมะฌานเอาเจตนาในปัญจมะฌานนะเป็นเป็นฐานในการที่จะไปดับสัญญาและ ไ, ไปดับไอ้นามขันธ์สี่เอาเอาตัวนั้นนั่นแหละไปเป็นจุดในการที่ไปพิจารณาเพื่อจะไปดับในปัจจุบันภพของท่านเหล่านั้นนะแล้วท่านกระสมปรารถนาเนะพราะท่านทําจนได้ตั้งใจทําจนได้ด้วยเจตนาที่แรงกล้าบวกกับเจตนาในปัญจมะฌานนั่นนะแรงมาก แรงมากจิตอธิษฐานเพื่อให้เป็นอย่างนั้นดูสินะนะกำลังของฌานเนี่ยอธิษฐานให้นำ ม, มาทำดับตั้งห้าร้อยมหากรอบยังทำได้อะยังทำไดนะ้นี่แหละกลุ่มเหล่านี้จะเป็นลักษณะเช่นนะี้ถ้าหากว่าเป็นสัมมาธิทฐิแปลว่าท่านเหล่านี้บรรลุนะ อย่างนี้ก็แสดงว่าบางครั้งเนี่ยเขาเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้ามีสาวกของพุทธเจ้าแต่ไม่ชอบวิธีนี้ไม่น้อมที่จะฟังพระสัทธรรม เ, เพราะไปตั้งวิธีคิดเองตั้งแต่จุดแรกไงมันมันเอียงเกินไปก ว, กว่าการที่จะน้อมกลั บ, บาาใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้นะว่าสมมุติว่า<ม>เรานักตัดท่เส้นทางเนี่ยนะ มันออกไปที่ตรงนี้แล้วแล้วไปเข้าใจที่ตรงนี้ใชน่น่ถ้ามีคนหนึ่งมาบอกตรงที่ตนเองถึงอยู่โดยอารมณ์บอกว่ามันไม่ใช่เขาค้านทันทีเขาไม่ใช่ได้ยังไงเขาเข้าถึงอยู่แล้วเขาดับได้อยู่นั้นะคุณจะไปพูดยังไงหมดิทธิ์แล้วนะเขายืนยันแนละ้ว <c oughs> ก็แปลว่าเวลาในการที่เ้าทำมาเป็นเวลานานมาก อุปนิสัยที่จเจริญมานั้นคนบางกลุ่มจึงไม่เหมาะแก่การที่ไปชักจูงแล้วประเภทที่สูงสุดแล้วนะไม่เหมาะและ้วไม่เหมาะแก่การที่เราจะไปชักจูงเด็ดขาดมันไม่รู้ไม่มีม เ, เาเพียนก็เราเพียงแล้วเพียนเสียเสียเวลาปล่ากลุ่มเหล่านี้พระพุทธเจ้าเดินจากหันหลังกลับก็เพราะว่าโอ้โหเขาไปซะไกลจัดแล้ว อุปนิสัยที่สั่งสมมายาวนานจับแล้วแล้วโดวยอุปนิสัยที่ที่คิดเองอะไรเองมาค่อนข้างดีนะเนี่ยการตรึกเองคิดเองไดนะ้แล้วกกลุ่มเหล่านี้ถามว่ามีมากหรือน้อยมากจริงๆริงมากจริงจริงไม่ใช่นน้อยและในกลุ่มในกลุ่มเหล่านี้นี่นะ ถามว่ามีคุณวิเศษปัณ น, นี้เนี่ยมีไหมที่พูดให้คนอื่นฟังแล้วจะไม่เชื่อเพราะเขาทําได้จริงๆรงท่านเหล่านั้นทําได้จริงๆริเนี่ยคําว่าทิฐิอีกกลุ่มหนึ่งสูงปันนี้เนี่ยนั่นถ้าจะแก้ทิฐิประเภทนี้ถ้าเขาไปแค่ไหนมันเหมือนกับบอกว่าเขาเริ่มทําทางไปหรือยังและทําไปแค่ไหนเขาทําเพียงพอต่อการนิจัยเขาจะลื้ออันเก่าได้ไหม ถ้าเขาจะรื้อบอกหรื้อได้ไม่เป็นไรเขาน้อมที่จะรื้อทิ้งดันดีเนี่ยแบบไม่สงสัยไม่ลังเลเลยอันนั้นก็ต้องต้องเพียรเป็นอย่างยิ่งขนาดกลับมาบอกว่าไม่เอาแล้วเนี่ยไปไปมามายังบอกทำไปทำมาเ็าละของเดิมไปแล้วแล้วก็น้อมไปหาของเดิมอย่างนี้ก็เยอะเคยเห็นไหยคนบางคนบอกไม่เอาแล้วคนๆ น, นี้ขอทิ้งข อ, อย่าแล้วพอไปอยู่กับอีกคนนึงเบอกว่าไม่ดีแล้วเขาเคยอยู่คนนี้เขาช ทั้งหลายต้องดิ้นรนไปตามกระแสของมารทั้งหลายที่มันคอยดึงรากนะเป็นบ่วงที่มันดึงรากฉุดถูทําให้เราต้องหลักระกำลาบากบางทีก็ยินดีบางทีก็ไม่ยินดีอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ต้องทํำนะเพราะโดนมันรากโด น, นชักจูงไปแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นการพูดเล่นๆว่าไอ้เจ็บแล้วยังยินดีเนะเอมะเจ็บแล้วดันเจ็บเล้วเจ็บแล้ ว, ล ว, ลวไม่ยินดีเจ็บยินดีจริงๆนะ เก็บนี่ยินดีจริงๆข่าว่าลองไปถามดูเหอะว่าในบรรดากลุ่มที่เป็นนักกีฬาทั้งหลายเนี่ยชอบความเจ็บชอบความเจ็บทําไมจึงชอบความเจ็บเราเพราะว่าทําให้ร่างกายแข็งแรงดูเหมือนว่าเอ๊ะไม่เห็นเจ็บวะงั้นเนี่ยถ้ายิ่งไปไปยืนต่อหน้ากับคนที่ไม่เคยฟิตเคยซ้อมอะไรได้วยแล้วนี่โอ้โหเรามองเห็นรู้ทันทีเลยว่า ให้เตะโดยไม่บิดเนี่ยก็ไม่เป็นไรยกยกขาหรือว่าเอี้ยวหลังให้ให้ให้เตะเนี่ยไม่เจ็บเนืขนาดนั้นนะคนที่เตะไม่เป็นเนี่ยคนที่ชกไม่เป็นอะไรไม่เป็นเนี่ยยื่นหน้าไปให้ชกเนี่ยยังชกไม่แรงเลยขนาดนั้นเนี่ยให้สังเกตดูพวกนักมวยทั้งหลายเนี่ยหน้านี่จะลูบเลยแต่ว่าลงนวมมาไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยลงนวมแล้วไม่รู้เท่าไหร่โดนตบโดนอะไรเนี่ย แต่แ ต, แต่แต่พอใจนะปลุกพอใจรู้สึกว่าเพราะเขาทำร่างกายเขาแข็งใช่ไแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ฟนะิตเนไม่ได้ซ้อมนะถูกนิดเดียวก็เจ็บมันมาจากการฟิตซ้อมพอฟิตซ้อมเนี่ยพอเวลาถูกเหมือนไป น, นวดเนะเหมือนไป น, นวด มันเกิดนั่นแหละมันเกิดนั่นแหละแต่ว่ามันเกิดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า น, นวดไปกลายเป็นนวดแต่ว่าถ้าแรงแรงมันก็บวมมันก็ช้าเลยนะแต่ถ้าบวมช้าเนี่ยพวกนี้จะหายเร็วหายเร็ ว, วนีว่ออนในบรรดา น, นักกีฬาทั้งหลายเนี่เป็นแบบนี้หมดนะทุกเนะี่ยเป็นกีฬานักวิ่งนักว่ายนะ้ํากีฬาอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยให้ไปสอบถามเลยพวกนี้จะแข็งแรง ค่อนข้างดีจะแข็งแรงดูเหมือนว่าแข็งแรงแต่ว่าอเอาแต่ตัวลงไปไม่ได้ชั่ ง, งไปก็เป็นโทษอีกอย่างอันนั้นก็ไปว่ากันอีกทีแต่จริงๆตอนนั้นน่ะแข็งแรงก็ลองคิดดูใช่ไหมก็มีการส่งเสริมกันในสารพัดอย่างนั่นแหละคือจริงๆก็คือเอาสิ่งเหล่านี้มาล้อนั่นแหละก็คือสิ่งที่จะต้องติดนั่นเองจะมีอะไรจริงๆการบริหารร่างกายเนี่ยมันไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นหรอกด้วยหลักการเนี่ยนะ แต่ว่าถ้าจะทําเพื่อจะแข่งขันกันด้วยกิเลสตัณหามันจะต้องทําไม่ได้อย่างนั้นอันใดอย่างเพราะหนทางนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่อรียมกักมีองแปดนะไม่ใช่หรอกให้รู้เลยว่าข้อปฏิบัติอย่างนั้นไม่ใช่ อ, อมันไม่ใช่หรอกนะแต่ถามว่าไอ้ไม่ใช่เนี่ยทําไมเขาถึงทํากันไอ้ตรงนั้นก็ เขาไม่รู้เนะี่ยถ้าเขามาเรียนมราณาสันนวิธี <c oughs> ก็คงไม่ก็อยากทำเท่ายเร่นะแต่ต้องเรียนแบบเข้าใจนะใช่ไหมใช่ถ้าเรียนแบบเข้าใจ <c oughs> ก็าบอโอ้ไม่เอาแล้วแต่ <c oughs> ไม่รู้มราณาสนาวิธีจะเกิดเมื่อไหร่ <c oughs> เพราะบางคนมีปไงเตะฟุตบอลไปตายอย่างงี้ยเตะมวยไปเห็นเลยนะแต่สมัยก่อนน่ยก่อนที่จะสลดใจแล้วหยุดเนี่ยนะก็ไปปกติก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่เราไปร่วมกับงานเขาที่บ่อยๆไปเห็นนักมวยตายกลางเวที ตายกลางเวทีเลยล้มไงคืออีกคนนึงนั่นก็เตะมานะตามภาษามวยเขาเรียกเตะเตะก็อีกเตะแล้วก็นี่เลยปลคางเลยนะคือว่ายกหมัดปิดไม่ทันเนะี่ยเตะไปคางนี่เลยนะล้มลงพอล้มลงเนะี่ยหัวก็นอกพื้นเนะี่ยสมัยก่อนเนะี่ยพื้นเนะี่ยมันจะเป็นพื้นที่ไม่ค่อยเป็นพื้นไม่ไม่มันไม่เซ็แระหนักมวยเหมือนปัจจุบันนะี้ สมัยก่อนก็ใช้แกลบบ้างใช้อะไรบ้างเป็นพื้นแล้วก็ใช้ผ้าเต้นเนี่ยปูข้างบนเห็นไ้มมันก็แข็งปึ๊กเลยก็แข็งนะพื้นก็แข็งบางทีก็มีทรายปนนิดๆมีโอโหแข็งพื้นจะค่อนข้างเยอะแข็งแล้วข้างล่างก็เป็นถังน้ำมันตั้งกระดานตั้งแค่นะั้นเองวิธีตั้งในเวทีมวยในยุคก่อนไม่มีอะไรเป็นพิเศษเชือกสมัยก่อนก็มีแค่สามเส้นไม่มีสี่เส้นอย่างที่ปัจจุบันนี้ ทำไมภาลณนาได้ชัดจังเวลตายเยวลายิ้วาพทั้งวยปรากฏบแต่ยุ่งแต่จริงๆเป็นภาพที่จะลืมหมดเลยนะนี่พอดีนึกได้ก็เลยมาเล่าประกอบว่าเนี่ยลักษณะเนี้ยโมรณาสันิวิธีเกิดพอตูมลงไปก็เรียบร้อยก็คือตายอ่ะหัวก็นอกพื้นถามว่าควรไปตรงไหนเนี่ยไม่มีไม่มีและในกลุ่มพวกนี้นี่นะในกลุ่มนักกีฬาทั้งหลายเนี่ย หนึ่งเวลาเสียงกองเชียร์ขึ้นเนอะใจนี่มันพึตขึ้นมาเต็มที่เลยเนะี่ยจิตใจนะี่ไม่ธรรมดาเลยนะขนาดหมดแรงเนี่ยนะอ๋อถ้ายิ่งยิ่งคนที่เราชอบคนที่เราถูกใจอะมาตโกนบอก ข, ข้างใกล้ๆเนะี่ยไอ้ที่ว่านเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยมันฟึดขึ้นมาใหม่หมดเลยนะมันจะเป็นอย่างนั้นเนะี่ยในบรรดากลุ่มนักกีฬาทั้งหลายเท่าที่สังเกตเป็นอย่างนี้หมด มันจะขึ้นมาทั้งตัวเลยใจมันจะเฮืกเขื่อนเพราะได้ยินเสียงปรีเสียงกลองขึ้นมาเล้วโอ้โหใจมันไปเลยตอนนี้ยมออกใช่ไหมดึงไม่กลับเลยดึงไม่กลับเลยฮะกลุ่มคนได้ยินแต่ว่าลับไม่เคยเกิดเลลับอาเดียวกิดร่งเราเอาก็คนเรามันคิดต่างกันอย่างย่อยย่อยเมื่อกี้ลาให้สังเกตดูบางกลุ่มเนี่ยกีฬาบางกีฬาใช่ไหม แค่ได้บอกว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์แค่ในกลุ่มแค่นี้ขึ้นแล้วเจ้าแม่ยาตรงนี้ก็นั่นแหละในบรรดากลุ่มเหล่านั้นเพ้่มบรราู้ชอเตกิดี่คุชลากรเาเลยตั้งแต่ทคล้ามลนีถ้าอย่างงี้เขาตายเหมือนเธอไปไหนในตมงพูดหิ <c oughs> ดูตรงนี้นะในมรรในมโนทวามราณาสนวิถีสี่ประเภทไล่มาตามลําดับดังที่ได้กล่าวในประเภทที่หนึ่งนะว่าโดยบุคคลว่าโดยองค์ธรรมประมาสว่าโดยวิถีจิตอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ ก, ก็ตามตามลักษณะนะั้นวิถีประเภทที่สองประเภทที่สามเนี่ก็นะาท่านจะกล่าวไว้ในนี้หมดเลยเราก็ไปตรวจดูเอาในในหน้า ร้อยี่สิบแปดตรงนี้ก็ตรวจดูในรายละเอียดอโุปะฮะยังยังไม่ถึ ง, ย, งยังไม่ถึงร้อยยี่ส12ิบแปดร้12 8, 12อยย่สิบเก้าร้อยยี่สิบแปตร้อยยี่สิบเก้ายังในวิถีแรกอ่ะไปเร็วเ็วเลยนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพังเมื่อกี้พอดีในนั้นไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่ ว่าโดยบุคคลได้บุคคล6กปุถุชน4ผลเสกคาบุคคลเบื้องต่ํา2งนี่ว่าไปแล้วใช่ไหมว่าโดยภูมิกามภูมิ11ว่าโดยองค์ธรรมป ร, ม, ร, รมัจา์ผ ว, วังแรกและผวังหลังคือกมรมะวังสิบวิถีจิตก็คือมนโนโทวารลัชนากามชาวนะ20อกุศ ล, ลชาวนะ12หมหากุศล8ตถาลมนะ1ิว่าโดยอารมณ์ผวังแรกผวังหลังมีอารมณ์หที่เรียกว่ากรรมกรรมนิมิตหรือคตินิมิธอารมณ์ ที่รับมาจากชาตวาริกามราณาสันนธาชาวนาในพบก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์วิถีจิตน่ยมีอารมณ์6ที่เรียกว่ากรร ม, มะอารมณ์กรรมนิวิตารมณ์หรือคตินิวิตอารมณ์เป็นตัวกรรมอารมณ์ที่เกี่ยวกับกรรมที่เคยกระทำไปแล้วในพบนี้และพบก่อนเป็นอารมณ์หาทยายวัตถุพลังแรกและจุดติดจิตและวิถีจิตทั้งหมดอาศัยหัทยายวัตถุเกิดวิธีคิดคือคิดลักษณะ วิธีที่สองก็แทบไม่ต่างต่าแต่วิธีที่สามาดูวิธีที่สามวิธีที่สามว่าโดยบุคคลเป็นบุคคลเจ็ดเห็นได้ใช่ไหมปุตุชนสี่ผลเสกขาบุคคลสามเว้นใครเว้นพระรหันต์ไปว่าโดยภูมิได้ภูมิยี่สิบเก้ายิบเก้าไหมกร ม, มาภูมิสิบเอกรูปภูมิสิบี่เว้นอสัญญาสัตตภูมิเว้นอคติทหาภูมิด้วยไหมเว้นขีดอคตินิทหาภูมิด้วย แล้วก็อารมณภูมิสนี้ไม่ได้เว้นนะว่าโดยองค์ธรรมประมัดผวังแรกและผวังหลังก็คือผวังสิบหเว้นกามมสะมนัตผวังเท่าไหร่กามมสะมนัตผวังสี่ส่วนวิถีจิตเหล่านั้นได้แก่มโนทวารวัชนะจิตหนึ่งกามเฉนะ20อกุศล12หมหาอากุศลจิตแแต่ว่าโดยอารมณ์นี้ต้องแยกเยอะแยกตามไหนผวังแรกผวังหลังละ ที่เป็นกาเมอเบขาผวังหกมีอารมณ์6ที่เรียกว่ากรรมอารม์กรรมนิ ม, มิตอารมณ์รมมณมรมณหรือคตินิมิตอารมณ์ที่ได้รับมาจากชาตวาริกามรณาสนาชาวนาในพบก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์ที่เป็นรูปผวังห้าตรงเนี้ต้องแยกใช่ไมมีบัญญัติกา ม, มนิมิตธรรมอารมมเนื่องโดยกรรมฐาน26คือกสินสิอสุภาสิบโกฏถาสบัญญัตหนึ่งรู้จักโกฏถาบัญญัติไหมเนรโกฏถาบัญญัติคืออะไรรู้จักไหม เอาใครรู้จักโกฏิฐาสบัญญัติด้วยโกฏิฐาสะรู้ไหมย่อมสุรีไม่ใช่โกฏิฐาสบัญญัติคืออะไรโกโโเกษาโรมานะคาทันตาตาจโจมังสังนาหรูอาทิอาทิมีช้างอยา ก, โกโโผมขนเล็ฟันหนังเนื้อใช่ไหมเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกกายยัคตาสติกรรมฐานก็เรียกนะเร่ อ๋อเรียกนั้นเลยอาณาปานสตีหนึ่งสัตววิบัญญัตสี่รู้จักสัตววิบัญญัตสี่ไหมอัปปมัญญาอัปปมัญญาภรมิหารสี่นั่นเองทุกขิตาสัตว์บัญญัติสุขิตาสัตว์บัญญัตนะแล้วก็ปิยมนาปัสตวิบัญญัติแล้วก็มชตะสัตววิบัญญัติที่ได้รับ มาจากมโนทวาร ว, วัชนมามรณาสันนาชาวนะในวบก่อนเมื่อใกล้จะตายนั่นแหละเป็นอารมณ์ส่วนที่เป็นอารมณ์ผวังสีมีบัญญัติการรมนิมิตและมหากาตะกรมนิมิตรรมารมณ์นันเนื่องด้วยอา ร, รมณกรรมฐานสีนะคืออะไรบ้างกสีนุคคาติมากาตอากาสานัญจายนะชาณติภาวะบัญญัติอากิมจัญญา ย, ยตนะที่รับมาจากมโนทวาริกามรณาสันนาชาวนะในวบก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์วิถีจิต ทั้งหมดที่อยู่ในวิธีนี้ที่เรียกว่ากรร ม, มาอารมณ์กรร ม, มนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอันเป็นตัวกรรมอารมณ์ที่เกี่ยวกับกรรมซึ่งได้เคยกระทําไว้แล้วในพบนี้หรือพบก่อนๆเป็นอารมณ์ว่าโดยวัตถุผวังแรกจุติจิตและวิถีจิตทั้งหมดถ้าเกิดในปัญจวโกรภูมิอาศัยหัตยาวัตถุเกิดถ้าเกิดในจตุวโการาภูมิไม่ต้องอาศัยวัตถุอะไรเลยอันนี้เคยแยกไปตามนั้น ตรงนี้อธิบายไปตามนี้นะแต่ก็อ่านไปตามนี้แต่ว่าไม่ได้อธิบายรายละเอียดข้ออธิบายไปแล้วส่วนวิถีประเภทที่สี่ดูดยประเภทที่สี่เลยเมื่อว่าโดยบุคคลจนถึงวัตถุเหมือนกันไหมเหมือนที่เหมือนที่สามไหมต่างกันตรงองค์ทาประมาทพวังแรกและพะวังหลังผวังสืบเก่าสำหรับผวังที่ขั้น ระหว่าชาวนาก็จุดติ ด, ดนั้นเป็นผวังธรรมดาเป็นอาคารตุกัดผวังก็ได้คือสามารถแยกไปเป็นอาคารตุกัดผวังก็ได้ เ, เคยเห็นไหมอาคารตุกัดผวังหลึกข้างหน้าก็มีไหมเนี่ยเขาจะมีเขียนให้ดูไหมมีไม่มีคงไม่มีแล้วมะคงไม่มีเดี๋ยวเขียนอาคารตุกัดผวังให้ดูสักวิถีนอ่ะดูตรงนี้นะ ในวิถีจิตที่เป็นสมนัตปฏิสนธิบุคคลเกิดเป็นโทสาชาวนะเนี่ยในวิถีนี้ผวังเป็นการมสมนัติผวังสี่ดวงใดดวงหนึ่งนะชาวนะเป็นโทสาชาวนะห้าขณะปฏิสนที่จิตเป็นทุกคติเป็นทุค ต, ติปฏิสนที่หนึ่งมีนิมิตรอารมณ์ที่เป็นอติอิทธารมณ์ทีนี้อติอิทธารมเนี่ยนะที่เป็น ที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะหลังปฏิสนธิจิตรมรณาสันนาชาวนาเนี่ยปฏิสนธิจิตในภพใหม่ก็รับเอาอาติอิทธารมนั่นแหละเป็นนิมิตต่อไปแท้ที่จริงอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่เกิดจากกุศลและกรรมนะอารมณ์ที่เกิดจากกุศลที่ดีอย่างยิ่งลอง อ, อย่างนี้นะนยกตัวอย่างเช่นนะคนที่นับถืออย่าง คนที่ปฏิสนธิด้วยโสมนัสพวังใช่ไในกลุ่มพวกนี้แต่ในเวลาใกล้จะตายเนี่ยบเบอร์เนี่ยมาอยู่แต่ตนเองไปนับถือศาสนาอื่นแต่มาอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมบเบอร์เนิ่ใกล้จะตายนั้นก็มีก็มีตอนนั้นนะพระใช่พระเดินไปเยี่ยมพอดีทีนี้เลยจิตใจของตอนเองนั้นก็คำหนึ่งถึง ละที่ความเชื่อของตนเองอยู่พอไปเห็นพระใช่ไหมหรือไปได้ยินเสียงพระขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกไม่ชอบใจก็เกิดขึ้นเลยนะความรู้สึกไม่ชอบใจก็เกิดขึ้นก็ทําในขณะนั้นไงเห็นในขณะนั้นใช่เราก็สอมที่เป็นะ ใช่ใช่แต่เปิดเป็นตัวเปิดช่องทางพอดีเลยก็ต้องบอกอย่างนี้บางทีเป็นรูปารม์ศัทธารมคันธารมลาสารม์ผัวถาพารม์หรือธรรมารม์ใช่ไหมคือในเพราะว่ามโนทวานนี่เขารับอารมณ์หกอยู่แล้วแต่อารมณ์หกเหล่านั้นเรียกว่าเป็นกรรมะนิมิตอารมณ์หรือเนี่ยกรรมมารมหรือกรรมนิมิตอารมณ์อย่างนี้เป็นต้นนะ่ยนะ นี่ปรากฏคือไม่ต้องอะไรมากนะบางทีอย่างนี้เอากลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เคยสนใจพระธรรมที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยใช่ไหมแต่บุคคลนั้นเป็นกลุ่มปฏิสนธิด้วยโส ม, มนนะัสใช่ไหมถึงเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาลูกหลานก็หวังดี พอหวังดีก็เอาพรพุทธรูปบ้างเอาเสียงพระสวดมนต์บ้างหรือในขณะนั้นนิมนต์พระที่เป็นที่เคารพของตนเองแต่ว่าพ่อแม่ไม่ชอบหรือกลุ่มปู่ปูต่ตายายยายไม่ได้คิดเลยพอเห็นขึ้นมาเนื้อกูตายแน่ใช่ไหมกังวลทันทีว่าจะตายแน่นอนเลยปกตินี่ไม่ได้มีพระหเหลืองๆมาม า, มาเยี่ยมถ้ามาเยี่ยมแสดงว่าอาการกูหนักไม่รอดแน่และใจไม่ดีขึ้นมาทันทีแล้วโทสะเกิดทั้งๆ ท, ที่นับถืออยู่นี่แหละ แต่ว่าเออเป็ น, นี้มิตรหมายที่จะทําให้ตนเองจากแค่นี้ก็เพียงพอแก่การนิริยภูมิแล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วดูสิเนะี่ยถ้าไม่ได้ตั้งอัตยาศัยก็ไว้ในเอาอย่างนี้ ม, มีมปู่ตาย่ายายหรือญาติมิตรของเราบางคนไม่เคยน้อมจิตที่จะตึกในเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยถามว่าเขาจะยินดีได้ยังไงแค่ไปเห็นพระเขาเครียดแล้ว ไม่ต้องไปกลุ่มนับถือศาสนาอื่นเอาศาสนาเราเราท่านทั้งหลายและบางครั้งเอาแบบเราเนี่ยไม่ต่อใครเราเอาเรา เ, ราเราท่านทั้งหลายเนี่ยถามว่ายินดีทั้งหมดไหมถ้าในกลุ่มที่เป็นบุญในกลุ่มที่อารมณ์ที่เป็นอติถารมที่เป็นผลของกุศลวิบากทําไว้แท้ๆนั่นเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ตนเองทําไว้เป็นอย่างดีนะใช่ไหมบุญประเภทนี้มาส่งแต่เกิดไม่พอใจกับผลวิบากที่ได้ ไม่ต้องการเห็นใช่ไหมนี่ไหมถึงบอกในกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องระวังใช่ไหมท <c oughs> ่านถึงบอกว่าอย่างเราๆ <c oughs> นั้นภาร้าหนักภ <c oughs> าร้าหนักก็คือว่าในในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย <c oughs> คือการตึกที่อารมณ์ที่เป็นอติอถิทารมให้เป็นอติอถิทารมจริงๆ การตรึกอ น, นิถฐารมณ์ให้ให้จิตที่เป็นกุศลเชวนาให้ได้คือภาล้า น, นักเลยนะดีก็ต้องตรึกให้เป็นกุศลที่ไม่ดีก็ต้องตรึกพิจารณาให้เป็นกุศลเนี่ยตรงนี้ทายังไงจะทำถ้าทำได้อย่างนั้นก็เรียกว่าเริ่มเข้าสู่แนวทางบังแล้วทำได้ไหม นะตรงนี้ก็ต้องนี่เขาเรียกว่าในกลุ่มของอาคันตุกะผวังจะเป็นลักษณะอย่างนี้อจะเป็นนี้ลักษณะของอาคันตุกะผวังนี่เป็นอย่างนี้เนีทีนี้จริงๆในวิถีเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีเนี่ยถ้าไปดูในกลุ่มของบุคคลที่เป็นมรณาสันวิถีถ้าจริงๆถ้าแยกแยะในรายละเอียดไปเน่ยค่อนข้างมีเยอะจริงนะ ไอ้ wow. ที่กล่าวไว้เนี่ยเป็นการกล่าวย่อนี่ก็พยายามจะหาสรุปบางตอนมามากล่าวแค่นั้นเด็ถ้าจะกล่าวตามลำดับของบรณาสันนวิถีจริงๆโอ้โหค่อนข้างค่อนข้างเยอะจริงๆไม่ไม่ใช่น้อยๆอะไรเยอะแค่เอาแค่ว่าอสัญญาสัตตะเนี่ยนะปฏิสนธิร <baker. sogar S 1> ูปหนึ่งกามาปฏิสนธิจิตสิบรูปปฏิสันธิห้าอรูปปฏิสนธิสิบเนี่ยสี่รวมเป็นยี่สิบเนี่ยนะ ในบรรดายี่สิบเหล่านี้เนขะั้นก็จะแยกแล้วนะลำดับของปฏิสนธิเนี่ยนะที่เกิดต่อจากจุติจิตเนี่ยนะถามว่ามาจากวิถีไหนบ้างนยก็ต้องแยกมาจากวิธีไหนบ้า ง, นะอ ง, าาางเอาต่อไปเดี๋ยวขึ้นปรินิพานวิถีเลยนะเอางั้นนะอปรินิพานวิถีเนี่ยนะ ปริญิาภานวิถีจริงๆและเป็นภาพอารหรันภาพอารหันเนี่ยท่านจัดไว้เป็นสองประเภทนะเนประเภทสุขาวิปัสสกะอรหรันตบุคคลจุติแล้วก็ชาลาพีอรหรันตบุคคลและจุติเนี่ยเป็นมีท่านกล่าวไว้2ชนิดในสุขาวิปัสสกะอรหรันตมรณาสันวิถีสองชนิดนั้นก็มีมโนวทวารวัชณนะอติภูตารมวิถีและวก็มโนวทวารวัชณนะวิภูตารมวิถีใช่ไหม วิถีที่จะปรินิพานนั้นท่านก็นจัดไว้เป็นสองวิถีนั่นแหละที่มากล่าวเนี่ยแต่ในที่นี้ค่อนข้างน่าจะกล่าวอติวิภูธารมนะ น, น่าจะเป็นอย่างนั้นเท่าที่สังเกตดูทีนี้ว่าถ้าดูในเรื่องของภาพปรินิพานวิถีธรรมดาทั้งสี่ประเภทเนี่ยเป็นไปในทนนองเดียวกันกันกบกามชนาะมโนวทวารวิถีทุกประการต่างกันแต่เพียงว่า วิถีเหล่านี้เกิดขึ้นกับพระอรหันต์เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ยังปฏิสนธิในพบใหม่ใช่ไหมจำนวนพระวังหลังที่เกิดขึ้นนั้นก็มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกันกบกามชาวนมโมทวามรนาสนาวิถีของปุถุชนสี่และเศคาบุคลสามจำพวกทีนี้ถ้าหากเป็นปรินิพานวิถีแบบประเภทธรรมดาเนนะ ดูได้ในธรรมดานั้นในภวังภวังก็จระนาผวังคู่ประเฉ็ทามโนทวารวัจนชาวนะเจ็ดเอสสะห้าขณะตถารรมนะสองแล้วก็ภวังจุติอันนี้เป็นอะไรเป็นอนุปาทิเสสานิพานแล้วแปลว่าดับอะไรดับขันนี่ขันท่านปรินิพานแล้วเนี่ย คือพอพูดถึงในลักษณะอย่างนี้ว่าตอนที่ท่านพระสารีบุตรท่านพระโมคครานะนิพพานเนี่ยนะลักษณะอย่างนี้ถ้าท่านเหล่านั้นนิพพานนั้นท่านไปในนิพพานแบบวิถีธรรมดานะแต่ก็เชื่อว่านิพพานเหมือนกันในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านเป็นสุขาวิปัสสกา ท่านไม่ได้มาทางด้านอภิน ญ, ญาทางด้านของปฏิสัมพิทาชาลาพีเนะในกลุ่มเหล่านี้ก็แปลว่าท่านก็ปรินิพานธรรมดาของท่านนั่นเลยแต่ธรรมดาของท่านนั้นแปลว่าการทําวตตะให้สิ้นสุดลงใช่ไหมการปรินิพานของท่านนั้นจึงเรียกว่าเป็นการตักวตตะนี่วะตตทุกต่างนี่ท่านไม่ต้องไปแบกแล้วไอ้มหาภาราทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ต้องไปรับแล้วก็แปลว่าพอฤทธทีเนี่ย การมหาภาราเนี่ยไม่ต้องไปมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายและมีใจไม่ต้องไปมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ยแปลว่าท่านดับใช่ไหมดับวัตทุก์ได้จริงๆดับวัตะได้จริงๆจิตเจเสิกจิตเฉลิมแล้วก็กรรมชรูปของท่านเนี่ยแปลว่าขาดสะบั้นทันทีนีแล้วก็ไม่มีการสืบต่ออีกต่อไปเนี่ยถ้าเป็นอะไรเป็นตาสองขณะ รวังหนึ่งขณะแล้วจุติจิตหรือว่าเป็นตถาจุติเลยเนี่ยก็ปแปลว่าท่านก็ดับทันทีเป็นอนุปาทิเสสนิพนันธ์นะหรือเรียกอย่างหนึ่งคืออนุปาทิเสสัยสพานธาตุอันนี้ในการปรสบกติภูมิเจ็ดนะเออท่ามาพิจารณาอย่างนี้บอกว่าถามว่าอารมณ์ของท่านเนี่ยท่านคิดอะไรนะในวิธีเนี้ยระวังแรกระวังต้นแล้วก็ ผวังที่ก่อนจิตติในกลุ่มที่มีผวังหน้าผลังหลังเนี่ยเป็นกรมติเหตุกขา ว, วิปากจิตซีดวงอารมณ์ของผวังกัจิตและก็จุติจิตของพระรหารเหล่านั้นก็มีกรรมอารมณ์กรรมนิพพิอารมณ์หรือกตินิมิตอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะที่ปฏิสนิทธิเคยมาแล้วรับมาแล้วในภพนั่นแหละเป็นอารมณ์ในมรณาสันาานาโชนะณนะทีนี้ในโวนะห้าขณะเนี่ยนะ ชาวนาห้าขณะมโนก็เป็นมโนทวารรสชนะนี่ก็เป็นกิริยากิริยาจิตอยู่แล้วทีนี้ชาวนะห้าขณะเป็นมหากริยาจิตแปดนะมหากริยาจิตแปดเป็นชาวนะดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยนะมหากริยาชาวนะเนี่ยสัญญาชาวนะตามปกติแล้วเนี่ยเอาอะไรเป็นอารมณ์ท่านเอานามรูปเอารูปน้ำนั่นแหละด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตา อย่างใดอย่างหนึ่งแปลว่าคาว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแปลว่าท่านชํานาญเนืท่านตรึกอะไรมาเป็นส่วนมากในชีวิตของท่านเนี่ยใช่ไหมเพราะการเข้าอยู่ในนิพพานหรือปรินิพพานของท่านเนี่ยท่านไปไปตามไหยไปตามสภาพของนิพพานที่ท่านพิจารณามไหมไปหรือไม่ไปนะในด้านของเอานามรูปซึ่งเป็นอนิจจังทุกขังและนัตตาเป็นอารมณ์ตามบารีที่ท่านแสดงเข้าไว้ ท่านแสดงไว้บอกว่าตาตมปกติเนี่ยพระขีณาสพผู้เป็นสุขาวิปัสสกะเนี่ยอันตินะอั น, อนติมาชานะของท่านเนี่ยนะเอ่อยย่อมมีแต่นามรูปเท่านั้นที่ได้ปราถนาเท่านั้น เ, นเป็นอารมณ์อารมณ์ก็ต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกามาวจรเนี่ยจึงจะเกิดแตทาลำน่ะจิตได้ใช่ไหมอารมณ์นั้นต้องเป็นกามธรรมไหมเป็นหรือไม่เป็นเป็น ในขณะที่ท่านมีนามรูปนามรูปเป็นการมาทำไหมล่ะในนามรูปเป็นกามธรรมเพราะในวิถีนี้ก่อนที่ท่านจะปริญิพานนี่คือมีอะไรมีตทารรมนะเห็นตทารรมนะไหมนั่นแหละตทารรมนะจิตนั่นแหละเป็นอารมณ์อารมณ์ก็ต้องเป็นกามาวจรจึงเกิดตทารรมนะได้เพราะเป็นวรณาสันาวิถีของพระรหารทีนี้เมื่อปฏิสนธิแล้วเนี่ยนะเอี๋เมื่อจุดติจิตแล้วก็ไม่มีปฏิสนธิต่อ วัตถุที่อาศัยของมรณาสันวิถีเป็นหาทยวัตถุที่เกิดขึ้นที่อุปาทกนาของจิตดวงที่สิบเจ็ดเหมือนกันเน่ยนะอันย้อนจากจุดจิตจิตขึ้นไปและต ถ, ถารำมนะจิตนั้นก็ควรเรียงตามลำดับภาพวิถีอย่าง ท, ที่ที่เขียนให้ดูเนี่ยเออถ้าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เน่ยถามว่าพระหันเนี่ยถ้าท่านจะบริณีพานเนี่ยแปลว่าท่านจะคิดยังไงถ้าดูอย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหม คำว่าปรงพรชนมายุสังขารแปลว่าท่านดีใจไหมปีติมากปีติท่านเกิดท่านปีติอย่างมากเลยคำว่าปีติของท่านเป็นปีติเกิดในกิริยาสมมนัตเหนือเป็นกิริยามห ah ามหากิริยาสมมนัตเนือปีติเกิดอย่างนั้นเนช่ยใช่ วัฏตะอันยาวนานเนี่ยแล้วกิจของท่านท่านทำเสร็จแล้วเนี่ยถ้าตรึกอย่างนั้นเน่ภาระอะไรต่างๆมหาภาระอะไรทั้งหมดเนี่ยที่รับภาระมาจาก อ, า ส, ง ส, อาสงไขยเสียสงไขยยิ่งด้วยแสนกับที่ตนเองแบกทนภาระมาเนี่ยเพียรพยายามมานั้นกิจในการตั้งศาสนาโดยเฉพาะกิจในการที่ทำลายกิเลสเนี่ยให้เป็นสมุ่เธทปหาน แล้ประกาศพระธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติให้กับเวนยชนบรรลุผลไหมบรรลุผลไม่มีอะไรกังวลเลยแม้ <c oughs> แต่น้อยนะท่า น, นการปองภาละปองประชาชนวัยยุคสมัยนั้นหมายความว่าปองพาระบอกไม่กลับไปรับเอามหาภาระอีกแล้วจะชื่นใจสักวันใดจะชื่นใจสักวันใดเอาอย่างนี้บอกว่าถ้าจะให้เรากลับมาพิกแผ่นดินนี้ใหม่เนะี่ย เจ็ปวดไหมเจ็ปวดชีวิตจะเจ็บปวดมากนะถ้าจะต้องกลับมาพลิกผืนแผ่นดินนี้อีกแปลว่าจะต้องไม่ไ ม, ไม่มามีภาระจะต้องไม่มาเหน็ดเหนื่อยแล้วเนี่ยอัธยมโซรีคิดยังไงท่านจะดีใจไหมแปลว่าแผ่นดินทั้งแผ่นดินคือสาสิเอดภพเนี่ยท่านไม่ต้องมารับภาระอีกนะไม่ต้องมากังวลไม่ต้องเป็นอะไรเลยเนะี่ยแปลว่าขันที่ยังเป็นผลิตผลของกรรมเก่าเนี่ย ถ้ามันหมดไปจนันอะไรก็ยิ่งดีแล้วก็ไม่รับเอากรรมใหม่ผลของกรรมใหม่ใช่ไหมอัตภาพนี้ทิ้งไปแล้วขันนี้ทิ้งไปแล้วก็ไม่แบกขันใหม่อายตนะนี้ทิ้งไปก็ไม่แบกเอาอายตนะใหม่ธาตุนี้ทิ้งไปแล้วก็ไม่แบกเอาธาตุั้นใหม่ตานี้ทิ้งไปแล้วก็ไม่ไปมีตาใหม่ถามว่าจะจะปลอดโปร่งขนาดไหนท่านตรึกจนรอบคอบหมดแล้วเนี่ย มันไม่เหมือนคิดอย่างเราเนะที่คิดอยากเกิดเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะมองเห็นไหมอย่างเรามันคิดว่าหมดตานี้แล้วเราจะไปแบกตาอันใหม่จะไปบริหารตาใหม่หมดจมูกอันนี้ไปแล้วเราจะไปหาจมูกใหม่เนี่ยเราคิดแบบนี้นะวิธีคิดของเราเนะี่ยใช่ไม่ใ้าฉะนั้นการคิดแบบนี้สวนทางกับพระอรหันต์พระยมสรีสวนทางไหมสวนทางหรือไม่สวน ใช่ไหมเราไม่ได้คิดตามเนี่ยเราคิดสวนทางกับท่าน